วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีความตั้งใจที่จะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญต่อชีวิตจิตใจให้จิตใจมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมที่จะเอามาแสดงในวันนี้ ก็คือเรื่องกฎของชีวิตชีวิตของพวกเรานี้มีกฎอยู่สองกฎด้วยกันกฎที่จะให้คุณให้โทษให้สุขให้โทษให้สุขให้ทุกข์กับชีวิตของพวกเราเหตุที่ต้องมีอยู่สองกฎก็คือชีวิตของเรานี้มีอยู่สองส่วนด้วยกัน คือร่างกายและจิตใจซึ่งอยู่ภายใต้กฎคนละอย่างกันร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขงังอนัตตาส่วนใจนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นสองกฎด้วยกัน เราต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องเราจะได้ปฏิบัติกับกฎเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเมื่อเราสามารถปฏิบัติกับกฎทั้งสองกฎนี้ได้อย่างถูกต้องเราก็จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็จะไม่มีกับเราเหตุที่ตอนนี้พวกเรายังมีความทุกข์อยู่ ทั้งๆ ท, ที่อยากจะมีแต่ความสุขาะเพราะว่าเรายัางไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎทั้งสองกฎนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากที่จะให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เราต้องศึกษากฎทั้งสองกฎนี้นะเกี่ยวข้องกับอะไร กฎของตายักนี้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวข้องกับร่างกายของพวกเราทุกคนและสิ่งที่ร่างกายของเราหามาได้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นอนิจจังแปลว่าเป็นของชั่วคราว เป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของขอทานก็ดีร่างกายของมหาเศรษฐีก็ดีล้วนอยู่ภายใต้กฎอันเดียวกันคือเกิดแก่เจ็บตายและทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ต่างๆคือลาบยศสรรเสริญและความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเป็นของชั่วคราวมากับร่างกายแล้วก็จะหมดสิ้นไปเมื่อร่างกายนี้ตายไปพอตายไปแล้วต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพสมบัติ ที่หามาได้ติดตัวไปด้วยได้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพราะนี่คือความจริงของร่างกายและของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของราบยศเสริญสุขต่อให้หาถ้าเป็นแทบตายไปพอถึงวันตายก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเสลึงเดียวก็เอาไปไม่ได้ แต่คนเราไม่เข้าใจกฎนี้กันไม่ยอมรับกฎอันนี้กันอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน<ม>อยากจะมีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศมีสรรเสริญ ม, มีความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ห<ม>ารู้ไหมว่าเป็นของชั่วข่าวเป็นของที่ในที่สุดก็ต้องสูญเสียไปหมด นี่คืออนิจจังกดของอนิจจังร่างกายและลาบยศเสรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิรลดต่างๆนี้เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวรมีเกิดต้องมีดับเป็นธรรมดามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถ ตู่เอาว่าร่างกายนี้เป็นของเราได้ไม่สามารถตู่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เราไม่อยู่ในขณะนี้ว่าเป็นของเราได้อย่างแท้จริงเพราะพอร่างกายที่ไม่ใช่เป็นของเรามันตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆนั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดจึงเรียกว่าอนัตตากดทั้งสามกดตายร่างนี้สามส่วนอนิจจัง อ น, าาอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเรามันก็จะเกิดทุกข์ขังขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอเรามีอะไรแล้วเรามักจะหลงมักจะอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่พอโดนกฎของอนิจจังโดนกฎของอนิตาอนัตตาปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร่ ความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเพราะจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราอยากจะให้มันเที่ยงไปเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เราหลงคิดว่าเป็นของเราไปอันนี้หละคือความทุกข์ความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองแต่อยู่ที่ใจไปหลงยึดติดกับมันไปหลงอยากให้มันเป็นของเรา ไปหลงอยากให้มันเป็นให้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปพอมันจากเราไปพอมันไม่ได้เป็นของเราความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจก็ตามมาแต่ถ้าเรารู้จากการที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆในโลกนี้ที่มากับร่างกายอันนี้ มันลุนเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนถาวรเป็นของที่มีเจริญแล ok deals, ้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาเช่นบทสวดมนต์ที่ชาวพุทธเราสวดกันทุกวันก็คือเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพรากจากการเป็นธรรมดาอันนี้น่ะสอนเรื่องอนิจจังอันนี้เรื่องอนิจจังเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายและของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติขาดกันชัวันนี้เป็นของเราพอเราตายไป สมบัติทั้งหมดที่เรามีอยู่กลายเป็นของคนอื่นไปนหมดที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้ร่างกายเราอยู่ไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันอยากให้ทรัพย์สมบัติราบยศเสริญและความสุขต่างๆนั้นอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นความจริงความจริงก็คือมันไม่ได้เป็นของเราเป็นอนัตตา มันไม่ได้เป็นของจีรังยั่งยืนถาวรมันไม่ได้เป็นนิจจังมันเป็นมันเป็นอนิจจังแต่ใจของเราถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นว่าทุกอย่างเป็นของยั่งยืนเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นสมบัติของเราอยู่กับเราไปตลอด แต่ความเป็นจริงมันเป็นความมันเป็นตรงกันข้ามกันมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจามันไม่สุขมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมีสิ่งที่เรารักยิ่งยิ่งรักยิ่งชอบมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นของที่เราอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆนั่นเอง แต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้มีการเปลี่ยนทัศนกติเปลี่ยนมุมมองมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของชั่อกาวเป็นของชั่อกาวร่างกายนี้ก็เป็นของชั่อกาวร่างกายของคนที่เรารักก็เป็นของชั่อกาวไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายาย ร่างกายทั้งหมดนี้เป็นของชั่วขราววันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขาก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปมันไม่เป็นอนัตตาสัเบธรรมานัตตาทรงสอนว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเรานี้ความจริงมันไม่มีอะไรเป็นของของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวต้องอยาบไปยึดอยาไปติด ต้องเตียงที่จะให้มันจากเราไปการที่เราจะให้มันจากเราไปอย่างไม่ทุกข์เราก็ต้องไม่ไปพึ่งมันนั่นเองใช้ที่เราทุกข์ก็าเราไปพึ่งมันให้ความสุขกับเราเราพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเราพึ่งสิ่งต่างๆที่เราหามาให้ความสุขกับเราเราพึ่งลาบยศเสริญ เร่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆมาคอยให้ความสุขกับเราเราเลยอยู่กับมันเราเลยต้องอยู่กับมันต้องมีมันต้องอาศัยมันแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันจากเราไปพอเวลาเราไม่มีมันแล้วเราจะเราจะเดือดร้อนเราจะทุกข์ uh huh. เราต้องมาเปลี่ยนวิธี uh huh. การดำเนินชีวิตใหม่อย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปอาศัย ราบยศสรรเสริญอย่าไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราให้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมดีกว่า<ม>การปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้ใจเกิดความสุขที่เรียกว่าความสงบ<ม>ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เป็นจะเป็นของเราและอยู่กับเรา<ม>อย่างยั่งยืนถาวรไปตลอด ถ้าเราสามารถสร้างความสุขจากการปฏิบัติธรรมได้เช่นจากการนั่งสมาธิจากการเจริญปัญญาต่อไปใจเราจะมีแต่ความสุขความสงบใจเราไม่ต้องอาศัยร่างกายไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงจิตลดผลถภาชนิดต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอเราไม่ต้องพึ่งร่างกายเราไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญสุข เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราต้องสูญเสียร่างกายไปเวลาที่เราต้องสูญเสียลาบสักการะลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเพราะเราไม่ต้องพึ่งเขาแล้วเราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาไม่มีเขาเราก็มีความสุขได้นี่แหละคือเรื่องของกฎของตายักที่พระเจ้าทรงตัดสั้และทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่พวกเราให้เราได้เข้าออเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจส่วนเรื่องของใจนี้ก็เป็นอยู่ภายใต้กฎอีกอย่างหนึ่งความสุขความทุกข์ของใจความเจริญความเสื่อมของใจนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎตายรักแต่อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมที่ตัดที่ทรงตัดสรุเห็นว่าทำดีทำบุญจะได้ความสุขได้ความเจริญทำชั่วทำบาป ก, ก็จะได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสียัน mm. นี้เป็นอีกกฎหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตใจของพวกเราจิตใจของกเราเกี่ยวข้องทั้งสองอย่างเกี่ยวข้องกับกฎของแห่งกรรมแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายด้วย เพอจิตใจเราไปยุ่งกับเรื่องของร่างกายโดยที่ไม่เห็นว่าเป็นตายรักจิตใจก็สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจแต่ถ้าจิตใจเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายและราบยศสรรเสริญต่างๆนี้เป็นตายรักจิตใจก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายกับราบยศสรรเสริญแล้วก็จิตใจก็จะต้องมาเข้าใจความสุขความทุกข์ที่ไม่ที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องของราบยศสารเสริญแต่เกี่ยวข้องกับการทำทำดีหรือทำชั่วถ้าจิตใจทำดีทำบุญทำกุศลความสุข เ, เกกจะเกิดขึ้นมาในใจถ้าจิตใจไปทำบาปทำกรรมความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจและจิตใจนี้สามารถเปลี่ยนสถานภาพได้ สถานภาพของจิตใจนี้มีถึงสามสิบเอ็ดสถานภาพด้วยกันที่เราเรียกว่าสามสิบเอ็ดภพภูมิสามสิเอ็ดภพภูมินี้เป็นเรื่องของจิตใจจิตใจเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นอริยะบุคคลก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือกลับมาเป็นเปรตก็ได้เป็นอสูรกายก็ได้ ไปตกนรกก็ได้อันนี้เกิดจากกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี่เป็นผู้ที่จะกำหนดว่ากรรมที่เราทำไว้นั้นจะทำให้เราได้รับผลชนิดไหนบ้างลังที่เราสวดกันอยู่ประจาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัยมีกรรมเป็นเผ่าพันมีมีมีกรรม เป็นผู้เราเป็นผู้รับผลของกรรมทํากรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราเจริญมีแต่ความสุขเราก็ต้องทําแต่กรรมดีกรรมดีก็มีหลายระดับด้วยกันถ้าเราไม่อยากให้จิตใจเราตกต่าไม่ต้องการให้จิตใจเราทุกข์ เราก็ต้องละเว้นการกระทําบาปทั้งปวงถ้าเราทาบาปเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ะเโทิผิดในการแล้วก็พูดปดเดิอสุรายาเมานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทําบาปได้ได้ง่ายก็ไม่ควรที่จะเสพจสรายาเมาด้วย พอเวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจากการเสพสุลาแล้วมักจะทำอะไรเสียหายแก่ผู้การสร้างความเสียหายสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้นี้เรียกว่าเป็นการกระทาบาปนะเช่นเมาแล้วขับสมัยนี้ชอบดื่มสุลากันแล้วก็ชอบขับรถเองพอเกิดอาการมึนเมาขับรถโดยที่ไม่มีความระมัดระวังก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ทำให้ผู้อนเสียหายเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินและทั้งชีวิต mm. จึงต้องให้ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาด้วย mm. ถ้าเราไม่ทําบาปทั้งห้าข้อนี้ mm. คือถ้าเรารักษาศีลห้าได้ mm. เราก็จะไม่มีวิบากกรรมตามมา mm. แต่ถ้าเราทําบาปด้วยเหตุผลอันใดอันใดอันหนึ่งมีอยู่สี่เหตุผลด้วยกัน ที่ทีแสดงไว้ถ้าเราทําบาปด้วยความหลงคือไม่รู้ว่าเป็นบาปเช<ม>่นดื่มชวานี่คิดว่าไม่เป็นบาป<ม>แต่ดื่มแลําไปขับรถไปทําให้คนตาย ม, มันก็เป็นบาปขึ้นมาถ้าเป็นบาปทําบาปด้วยความหลงนี่ถ้าต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน<ม>แล้วถ้าเราทําบาปด้วยความโลภอยากรวยอยากร่ำอยากรวย อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากอะไรทั้งนั้นแหละอยากโดยที่เราไม่ได้ทําโดยโดยอาชีพที่สุดจริตทําด้วยการชอบโกงไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปโกงทรัพย์สมบัติของผู้อื่นไปแย่งชิงสามีของผู้อื่นภรรยาของผู้อื่นอะไรเหล่านี้ถ้าทําด้วยความโลภทำบาลด้วยความโลภใจก็จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่หิวโหวยเรียกว่าเป็นอสุนลกาย mm. ไม่ใช่เป็นเปรตเป็นเปรต เปรนี้มีแต่ความหิวโหยดวงวิญญาณต่อให้ได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะท่านเปรียบเทียบเปรนี่มีท้งเท่าตุ่มแต่มีปากเท่ารูเข็มรูเข็มนี่ดูดน้ําเข้าไปในในตุ่มนี่มันได้น้อยได้มากได้น้อยเท่าไหร่มันก็รู้สึกไม่อิ่มไม่พอชันใดคนที่มีความโลภนี่เราให้ได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอตอนต้นก็อยากได้มี อยากได้สิบพอได้สิบแล้วทีนี้ก็อยากได้ร้อยจากร้อยก็อยากจะได้เป็นพันได้เท่าไหร่ก็ไม่ิมไม่พอจากพันก็เป็นหมื่นจากหมื่นก็เป็นแสนเป็นล้านมันดูที่มหาเศรษฐีบางทยนี้มีกี่กี่หมื่นล้าน<ม>แล้วพอไหมก็ยังไม่พอก็ยังมีความหิวความอยากความต้องการอยู่นั่นแหละ พอตายไปดวงวิญญาณถ้าไปทำบาปถ้าโกงเข้ามาเอาเงินต่างๆโกงเข้ามาตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยแต่ถ้าทาถ้าหาเงินมาด้วยความโลภแต่ไม่ได้ไปทำบาปนี้ไม่เป็นเปรตยังไม่เป็นเปรตเพราะว่าไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครทำมาหากินด้วยความเชื่อสั์สุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้ไม่ถือว่าบาป อยากจะรวยก็ให้รวยแบบวิธีที่ไม่ทำบาปก็จะไม่มีผลกระทบกับจิตใจของผู้กระทำนั้นจิตใจของผู้นั้นจะไม่ยังไม่ได้ไปเป็ น, เ ป, นเปรตจะเป็นเปรตก็ต่อเมื่อไปทำบาปเพื่อให้ร่าให้รวยเพื่อให้ได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากๆขึ้นมาต mm hmm. ายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวย mm hmm. ต้องมาสายบุญของคนที่มีชีวิตอยู่ เพราะคนที่ทำบาลด้วยความโลภนี่มักจะเป็นคนที่ไม่ชอบทำบุญเสียดายเงินเสียดายทองตันนีเห็นแก่ตัวไม่อยากที่จะเสียสละแบ่งปันอะไรให้กับใครก็ะอะ ไ, ไม่มีบุญสะสมติดตัวไปด้วยพอตายไปก็เลยต้องมาขอบุญจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ช่วยส่งบุญไปให้ด้วยนี่คือทำบาลด้วยความโลภก็จะเป็นเป ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งต่างๆกลัวสิกลัวสัตว์กลัวอะไรก็ตามแล้วพอเจอสิ่งที่กลัวก็ฆ่าเขาเลยทําร้ายเขาเลยเจอกลัวงูเจองูก็ตีงูให้ตายเจอมดก็ฆ่ า, ามดให้ตาย <S <S <ๆ>การทําด้วยความการทําบาปด้วยความกลัวนี้จะทําให้จิตใจเป็นอสุรและกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันอันนี้ก็จะทำให้เป็นไปนรกกันไปอยู่ในนรกกันไปนรกที่มีแต่ไฟของความเกลียดชังอาฆาตพยาบาทเขาผรานจิตใจนี่แหละคือที่ภพภูมิที่เรียกว่าทุกขติภพภูมิที่ไม่ดีที่จิตใจเราสามารถตกลงไปได้ ถ้าเราไม่มีธรรมะมาสอนใจให้เรารู้ว่าการกระทาของเรานี้มีผลต่อจิตใจของเราทำบุญก็จะได้ผลดีได้สุขได้เจริญทำบาปก็จะได้ผลไม่ดีได้ทุกข์ได้ได้ความเสื่อมความเสื่อมความเสียหายต่างๆแล้วหลังจากที่ได้ใช้กรรมหมดแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีด้อยอาภัพวาสนามาเกิดแบบยากจนบ้างมาเกิดแบบรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบ้างผิวพรรณไม่ส่องผ่องสใสไม่มีอาการครบสามสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุสั้นเป็นต้นนี่คือวิบากที่ยังตามมาหลังจากที่พ้นมาจากการไปอยู่ในอบายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อย ด้อยวาสนาบารมี์ังนจถ้าเราไม่อยากจะทายจิตใจเราลงตัง<ม>ก็ทำตามที่พระเจ้าสอนละการกระทำบาปทั้งปวง<ม>และอย่าไปเสพอบายามุกผู้สนับสนุนให้ทำบาปได้ง่าย<ม>อบายามุกก็มีอยู่ห้าข้อมีการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพ น, นันการเที่ยวเต่กัางคืนกลางวัน<ม>การครบ ความเกลียดค้านแล้วก็การครบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรนี่เป็นพฤติกรรมที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าเราไม่อยากจะทําบาปแล้วถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราก็ต้องมีฮิรีโอตปะด้วยฮิรีก็คือความละอายละอายละอายในตัวเราเองว่าเราเป็นคนไม่ดีเวลาเราทําบาปนี้ถ้าใครก็รู้ว่าเราทําบาปเขาเขามักจะประนามคนที่ทําบาว่าเป็นคนไม่ดี ถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องอย่าทำบาปแล้วก็อดตบบปะกาก็คือความกลัวผลของบาปที่จะตามมาผลของบาปที่จะตามมาก็อย่างที่ได้สแสดงไว้ตายไปก็ต้องไปเกิดในโชคกติให้เรามาทำแต่บุญดีกว่าพระเจ้าสอนให้สร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมทำบุญทำทานเจริญละข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ ที่เก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เอาเงินทองส่วนนี้ไปทำบุญทำทานแล้วจิตใจเราจะสูงขึ้นจากมนุษย์เราจะไปเป็นเทพแต่เราต้องรักษาศีลด้วยไม่ทำบาลด้วยถ้าเราทำบุญกับทำบาปควบคู่กันไปถ้าบาปมากกว่า บ, บุญบุญก็ยังส่งผลไม่ได้ยังไปสวรรค์ไม่ได้ต้องไปอบายก่อนแล้วเราต้องรักษาศีลห้าด้วยไม่ทาบาปแล้วก็ทาแต่บุญ ถ้าตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทพกันแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าชั้นชั้นเทพคือไปชั้นพรมชั้นพระอริยเจ้าเราก็ต้องทำบุญอี่งระดับหนึ่งที่เรียกว่าสักพอกจิตใจปฏิบัติจิตตะภาวนาถือศีลแปดขึ้นไปรักษ<ม>าศีลแปดแล้วก็มาฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขจากการเข้าฌาน พอเราเข้าได้เข้าฌานได้เราก็เข้าสู่พรห ม, มโลกจิตใจของเราก็จะเป็นพรหมขึ้นมาเวลาตายไปจิตใจเราก็จะไปอยู่บนพรห ม, มโลกสองระดับด้วยกันสวรรค์พรห ม, มโลกชั้นรูปประพรมกับพรห ม, มโลกชั้นอรูปประรมแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่านั้นอีกอยากจะมีความสุขมากกว่านั้นอยากจะมีความทุกข์น้อยกว่านั้นเราก็ต้องไปอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าขัาน้นวิปัสสนาท่านเจริญปัญญาเนี่ย ให้เห็นตายรักษให้เห็นอริยสัจสี่ 4. เราเห็นกฎทั้งสองกฎนี้เห็นกฎแห่งกรรมและเห็นกฎของอริยสัจสี่ <c oughs> แล้วใจเราก็จะได้มีปัญญารักษาไม่ให้ตกต่าไม่ให้ทุกข์ก็จะเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ น, นั่นเองถ้าเราปฏิบัติขั้นปัญญาได้ต่อจากขั้นสมาธิได้เราก็จะเข้าสู่ขั้นพระอริยบุคคล ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ตามลําดับ<ม>พอได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้พระนิพพานมาเป็นชิ้นสุดท้ายเป็นรางวัลชิ้นสุดท้ายเป็นเหรียญทองของชีวิต<ม>อันนี้มีแข่งซีเกมกันแข่งเหรียญทองกัน<ม>แต่พวกเราชาวพุทธนี่เรามาแข่งเอาเหรียญทองของชีวิตดีกว่าเหรียญ<ม>ทองของชีวิตก็คือพระนิพพาน<ม>พระนิพพานนี้เป็น จิตที่มีความสุขสูงสุดจิตที่ไม่มีความทุกข์แม้แต่นิดเดียวจิตที่ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานนี้ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แม้แต่เป็นพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดอย่างน้อยก็ไม่เกินเจ็ดชาติพระสกิดาคาก็อย่างน้อยอีกหนึ่งชาติพระนาคาก็ต้องไปเกิดในพรหมโลก ยังออกจากสังสารวัฏไม่ได้ยังออกจากตายภพไม่ได้ต้องเป็นพระอารหันต์เท่านั้นถึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้ mm hmm. นี่เรื่องของกฎแห่งกรรม mm hmm. ชีวิตของเรามีสองกฎด้วยกันที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องกฎของตายรักเราก็ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเรามีเกิดแล้วมีดับมีเจริญแล้วมีเสือ่อม ถ้าเรายอมรับเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เราต้องเสือ่อมเวลาที่เราต้องเสียร่างกายไปเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเราก็จะไม่ทุกข์ mm hmm. ถ้าเราเข้าใจกฎแห่งตายแล้วส่วนกฎแห่งกรรมเราก็ทําแต่ความดีอย่าทําชั่วอย่าทําบาปมันซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธจิตใจเราจะได้ขึ้นสูงจะได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามระดับ จากมนุษย์นี้เราก็จะไปเป็นเทพกันจากเทพเราก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็จะไปเป็นพระอริยบุคคลและในที่สุดเราก็จะไปพรนิพพานกันได้รับเหรนทองของชีวิตจากการที่เข้าใจกฎของชีวิตว่ามีอยู่สองกฎด้วยกันคือกฎของตายลักและกฎของกฎแห่งกรรมกฎของกรรมถ้าเราเข้าใจทั้งสองกฎนี้และปฏิบัติตามกฎได้แล้ว ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอ น, นี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาในลําดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันมาพัฒนายกระดับจิตใจของพวกเราให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมตอนนี้ถ้าเราทําบุญรักษาศีลห้าได้เราก็อยู่ในสวรรค์ชั้นเทพแล้ว แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรมเราก็ต้องมาเจริญสัมมาทภาวนามานั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานให้ได้เมื่อจิตสงบนิ่งเป็นฌานขึ้นมาจิตก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเทพเหนือกว่าความสุขของมนุษย์ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านก็เท้ความ ส, ขขสุขจากการเข้าฌานไม่ได้ อันต่อไปนี้เราจะเข้ามาเราจะมานั่งทําใจให้สงบให้เข้าฌานกันวิธีจะเข้าฌานนี้เราต้องมีสติคอยกํากับใจให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกันในตํารามีถึงสี่สิบสี่สิบกรรมฐานแต่เวลานั่งแล้วเอาใช้อย่างเดียวอย่างเดียวหรือสองอย่าง ถ้าเริ่มต้นเวลาจะนั่งแล้วจิตยังคิดมากอยู่เราก็ใช้การสวดมนต์ลกล่อมจิตไปก่อนให้จิตหายฟุ้งซ่านก่อนพอหายฟุ้งซ่านแล้วเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกหรือมาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างปนกันก็ได้บางคนก็ดูลมไปแล้วพุทธโธไปหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ บางคนก็เอาแต่ลมหายใจอย่างเดียวก็ได้ดูเฉยๆบางคนก็เอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้อย่างอื่นก็ได้บางคนละเลิกถึงความตายก็ได้ละเลิกถึงความตายแล้วใจก็นิ่งสงบเป็นระเลิกว่าเกิดมาเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาท่องไปเรื่อยๆตายแน่ๆตายแน่ น, นอนอันนี้ก็จะเป็นกรรมฐานกรอบใจให้เข้าฌานได้หรืออาการสักสิบสองก็ได้ผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แต่ต้องมีอารมณ์หน่านี้กล่อมใจผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เพราะถ้าตราบใดยังมีความคิดอยู่ใจจะเข้าฌานไม่ได้จะเข้าฌานได้ต้องหยุดคิดจะหยุดคิดได้ต้องมีสติล้ำลึกรๆอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวแล้วเวลานั่งถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมามีผลบางอย่างปรากฏก็อย่าไปสนใจอาจจะมีแสงสว่างอาจจะมีความสุขขึ้นมา มีปิติมีขนลุกมีอะไรก็อยากไปสนใจมันยังไม่ถึงผลที่ผลสุดท้ายที่เราต้องการคือความนิ่งสงบของใจการเข้าไปสู่อุเบกขาวางเฉยปราศจากรักชังกลัวหลงถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพุทโธต่อไปหรือดูลมต่อไปมีอะไรเข้ามาก็อยากไปสนใจอย่าไปตามรู้ถ้าไปตามรู้เรื่องอื่นแล้วใจจะเข้าฌานไม่ได้จะเข้าสู่สมาธิไม่ได้ ตองอยู่กับกรรมฐานที่เราเลือกไว้องค์ใดองค์หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> แล้วใจเราก็จะค่อยคอยสงบบางครั้งก็สงบแบบตกลุมตกบอ่อเหมือนกเหมือนตกลงมาจากที่สูงวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบปล่อยความสุขปลอยความเบาออเบาใจขึ้นมาบางครั้งก็ลงไปเป็นขั้นขั้นลงทีละขั้นบันไดขั้นทีละขั้นทีละขั้นสงบทีละขั้นน้อยลงสงบลงไปเรื่อยๆก็มี แต่มันจะเป็นแบบไหนก็ไม่ต้องไปสนใจอย่าไปบังคับมันบังคับไม่ได้ผลเราบังคับได้ที่เหตุคือสติให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วผลก็จะตามมาและต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันอีกประมาณสักยี่สิบหนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่ อ, อนที่จะเลิกก็ให้สังเกตดูว่าอันนี้นั่งแล้วสงบไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เวลานั่งคราวหน้าก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยแล้วจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปอยากนั่งแล้วให้มันสงบความอยากให้มันสงบนี้มันจะไม่สงบต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องเหมือนวันนี้ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อย ก็ควรเจริญสติระหว่างวันให้มากขึ้นเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่ก็พุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อยๆหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้แล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้นานขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขอนุโมทนาให้พร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 อาระโสยธาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโววินาสตุมเตภวตวันตรายุสุขิติกายุโภภวาอภิวาทนสิลิกสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัันติอายุวันุสุขัง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 วันนี้มีท่านติดตามผู้ชมผู้ฟังติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง f a c e b o o หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ท่าน youtube ัสดุจาร์ไลสองร้อยเก้าสิบสามท่าน YouTube ดรวีห้าสิบสามท่านวันนี้ YouTube ดรวีสัญญาณขัดข้องครับขึ้นไลสามครั้งครับวันนี้วิทยอาลายสิบท่านคลับเฮห้าท่นนานนาคติร้อยสี่สิบท่านรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบห้าท่านครับอาจารย์ คำถามได้แล้วจ้าคำถามจาก Facebook นะคะคุณนาวินกับเรียนถามพระอาจารย์การระลึกถึงธาตุรู้บ่อยๆเป็นการเดินวิปัสสนาอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับไม่เป็นเลยถ้ารู้นี้ระลึกไม่ได้ระลึกนี้ถ้ารู้ต้องให้จิตสงบถึงจะรู้ได้นั้นถ้าอยากจะเข้าถึงธาตุรู้ต้องมีสติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบแล้วธาตุรู้ก็จะปรากฏขึ้นมา คุณทอธรรมชาตินะคะกลับเตียนถามพระอาจารย์โยมรักษาสินห้าอยู่ทุกวันขณะปฏิบัติฝึกสติสมาธิด้วยคำบริกรรมพุทโธและตามลมหายใจเข้าและออกนั่งไประยะหนึ่งจะมีความรู้สึกเหมือนฝันไปเจ้าค่ะแต่ว่ารู้สึกตัวตลอดไม่ได้หลับค่ะเขาเรียกว่าเครื่องหลับเครื่องเตือนไง ท้ารู้สึกว่าเหมือนหลับก็มันก็หลับแล้วแหละเพียแต่อันนี้หลับไม่เต็มร้อยใช่ไหมคุณสีวิไลค่ะกราบเรียนถามค่ะกฎของไตรัดเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องของจิตรวมด้วยเจ้าคะส่วนใหญ่ก็เรื่องของของของกายแล้เรื่องของรูปเสียงจิตรสที่เข้ามากระทบแล้วก็เป็นเกิดผลทําให้จิตก็แปรปรวนไปด้วยได้ด้วย แต่โดยหลักล้วก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของรูปยึดลูกเสียงกิดลดต่างๆจากคุณทวินนี่นะคะมีสองสองคำถามนะคะข้อหนึ่งพ่อแม่ของลูกอาจไม่ได้เข้าถึงาศาสนามากเลยไม่ได้ปฏิบัติอะไรเพียงแต่ทรมาหากินใช้ชีวิตปกติทั่วไปแต่ลูกอยากให้พ่อแม่พอได้บุญบ้างโดยไม่ได้บีบบังคับเขาจนเกินไป เลยบอกให้เขาพยายามท่องพุโทโธก่อนนอนสักสิครั้งเพื่อให้รู้สึกไม่ยากพ่อแม่ของลูกพอจะได้บุญอย่างไรไหมคะได้ความเสียใจมากกว่าของที่เราไปสอนท่านถ้าท่านไม่ถามเราก็อย่าไปสอนท่านเลยให้ท่านถามก่อนว่าทําพุโทโธทํอยังไงอะไรค่อยสอนดีกว่าเพราะการที่เราจะไปดิ้นรนถึงแม้ว่าจะมีความบาดธนาดี แตม่มันเสียหลักของความเคารนะพพ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราไม่ควรไปถือว่าเราวิเศษเรารู้มากกว่าพ่อแม่นะข้อสองนะคะลูกทำแบบนี้ถูกไหมคะหรือถ้าแม้แต่เรายังทำได้ไม่ดีกําลังฝึกเจ้าคะ่ะก็ไม่ควรไปบอกใครให้เขาทาปล่อยให้เขาเป็นไปแบบของเขาถูกไหมคะก็ตอบไปแล้วเรื่องท่องปล่อยเขา จาก Youtube นะคะพระอาจารย์ครับในสังคมปัจจุบันการเลือกคบคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนใช่ไหมครับเพราะคนที่เราเลือกคบจะกำกหนดทิศ ท, ทางชีวิตของเราโดยตรงจึงถูกจัดเป็นมงคลข้อที่หนึ่งในมงคล38ประการถูกไหมครับถูกต้องคนดีครับชวนเราไปทางดีคนเชื่อก็ชวนเราไปทางเชื่อ้ น, น ถ้านก็เริ่มชวนเราไปทําบาปเราแสดงว่าไม่น่าคบและถ้านก็ชวนเราไปดื่มดื่มชวราไปเล่นการพ น, นันนี้ก็ไม่ควรจะครบถ้านก็ชวนเราเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมไเนะี้ยถือว่าน่าน่าคบคาสมาคมด้วยคุณจินตนานะคะอุเบกขาในสมาธิกับสังขารอุเบกขายานต่างกันอย่างไรคะไม่รู้สังขารอุเบกขาเป็นยังไงนะ ในสมาธิต้องรู้เองต้องปฏิบัติให้จิตสงบมันถึงจะรู้เองได้นันคำถามเหล่านี้ไม่ต้องไปถามให้เสียเวลาปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วคําถามก็จะหมดปัญหาไปถ้าไม่ถึงก็จะถามไปจนวันตายนะเป <c oughs> ็นคนตาบอดเนนะี่ยถามสีแดงเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไงถามไปจนวันตายก็มองไม่เห็นหรอกไปหาหมอรักษาตาใ ห, ให้ให้หายดีกว่าให้ให้มองเห็นดีกว่า พอมองเห็นแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าสีเขียวสีแดงต่างกันยังไงจากคุณทวินนี่นะคะถ้าเรามีสมาธิจิตตั้งมั่นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคือวางเฉยในอารมณ์ปรุงแต่งต่างๆซึ่งต่างจากความรู้สึกเฉยๆเพราะเฉยๆยังเป็นอารมณ์หนึ่งอาจไม่ใช่การวางเฉยจริงๆใช่หรือไม่คะ มันเป็นอารมณ์มันเป็นเวทนามันไม่ใช่เป็นอารมณ์มันคนละเรื่องกันเช่เวลาที่เราหิวก็เราก็ทุกข์กเวทนาเวลาอิ่มแล้วก็สุขเวทนาเวลาที่เราไม่หิวไม่อิ่มก็เอ่อเวทนากลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เวทนาเราไม่ได้เรียกว่าเป็นอุเบกขาจากคุณชัยนะคะมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะข้อหนึ่ง การออกจากสมาธิเมื่อใดควรถอนออกจากสมาธิและมีวิธีการถอนออกจากสมาธิอย่างไรคะ่ะให้มันถอนออกมาเองเข้ายากออกง่ายเวลาเข้าไปแล้วอย่าให้มันออกประคับประคองด้วยสติให้นานที่สุดให้มันอยู่ให้นานที่สุดแล้วเวลามันออกมามาเราก็ตั้งสติดําเนินปฏิบัติต่อไปจะนั่งต่อก็พุโทโธพุโทโธไปดูลมไป ถ้าอยากจะลุกขึ้นไปทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายข้อ2ค่ะสภาวะของจิตตอนถอยออกจากสมาธินั้นควรเป็นอย่างไรครับก็กลับมาเป็นเหมือนกับตอนก่อนเข้าเลยก่อนเข้าเป็นยังไงตอนออกมาหลังออกมามันก็เหมือนกันข้อ3นะคะการพิจารณาไตรลักษ์ ทำได้ทั้งนั่งนอนยืนเดินตอนที่ยังมีกำลังสมาธิและสติอยู่ใช่ไหมครับควรนำสิ่งที่มีผลมากที่สุดต่อจิตใจของเรามาพิจารณาใช่ไหมครับใช่สิ่งไหนที่ทำให้เราทุกข์เราต้องพิจารณาหเห็นว่าเขาเป็นใจล่างเช่นร่างกายของเรานี้ข้อสุดท้ายนะคะที่ว่าสติปัญญาทำงานอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างไรครับก็เกิดขึ้นจากการมีสติอัตโนมัติ ความมีสติอัตโนมัติสติก็สามารถสั่งให้ใจคิดทางปัญญาได้โดยอัตโนมัติจากคุณอุทัยนะคะกลับนมั ก, การพระอาจารย์ขอสอบถามผู้ที่มีความเจ็บป่วยจะมีทุกขเวทนาเวลาตื่นจะรู้สึกทุกขมากเวลาที่หลับความรู้สึกทุกขเวทนาน้อยลงไปเพราะจิตของเราไม่ได้อยู่ที่เวทนาใช่หรือไม่ครับใช่ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้สร้างความทุกขขึ้นมา เราก็ไม่รับรู้ความความทุกข์ของร่างกายชั่วคราวเวลาที่เราหลับมีจากทางอินบล็อกมานะคะ<ม>การบริโภคอย่างไม่เป็นนี่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อปฏิคาหกเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นใช่ไหมครับกรณีผู้รับเป็นพระอาาริยบุคคลขั้นต่ำกว่านั้นเช่นโสดาบันยังถือว่ารับทานแล้วยังเป็นนี่อยู่ใช่ไหมครับวงเล็บ นี่หมายถึงสภาวะนามธรรมที่ผู้รับติดหนี้ผู้ให้บริจาคทานค่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ทำสัญญาเว้ยมีอีกข้อหนึ่งนะคะคุณทวินนี่นะคะอ่าถ้าระหว่างนั่งสมาธิลมหายใจเริ่มอ่อนเบาจับลมไม่ได้ พูดโทไปแบบไม่แน่ใจว่าสติดีหรือสติอ่อนค่อนไปทางเคลิมลูกควรหายใจแรงขึ้นหรือลืมหรือลืมตาแล้วเริ่มต้นใหม่หรือไม่เจ้าคะ่ะหรือควรเริ่มใหม่ต่อในใจไปเลยโดยไม่ต้องลืมตาหรือขยับเจ้าคะ่ะให้เพิ่มสติมากขึ้นลมก็ปล่อยมันตามเรื่องของมันให้มีสติรู้อยู่ว่าตอนนี้ลมไม่มีลมเบาก็รู้ตามความเป็นจริงไปไม่ต้องไปบังคับลม หมดแล้วเลย<ช>อาวขาประจำมีคําถามไหมเอามามีคำถามเจ้าค่ะข้อที่หนึ่งเรื่องทานค่ะทานทานที่บริสุทธิ์เป็นอย่างไรคะก็เป็นของเราไงไม่ได้ไปโวยของคนอื่นมาทําถ้าเป็นของคนอื่นแล้วเอามาไปทําทานเราไม่ได้บุญเราไปขโมยมาเราได้บุญแต่เราได้บาปด้วย ได้บาปจากการไปรักทรัพย์ของผู้อื่แล้วก็ได้บุญจากการเอาทรัพย์ของผู้อนนี่ไปทําบุญอีกทีเจ้าค่ะระดับที่สองอ่ามิจฉาสมาธิเป็นเช่นไรคะก็สมาธิที่ไม่ไม่นิ่งสงบไม่มีไม่มีมมอุเบกขาเช่นสมาธิที่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆไปมีตาที่ผูทิพย์นี้เป็นสมาธิที่ไม่เป็นสัมมาสมาธิเอามันไม่ได้สนับสนุนให้ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมีอุเบกขาสมาธิที่เป็นอุเบกขาค่ะเ อ, อ, อีกหนึ่งคาถามสุดท้ายค่ะถ้าสมมุติว่ามีพระเข้านิโรธสมาบัตินะคะแล้วมีความเชื่อว่าถ้าได้ทําบุญกับพระที่เข้านิโรธสมาบัติจะได้รับผลเป็นพิเศษอันนี้จริงไหมคะจริงรอ่อมันทำหมดใครก็ได้เหมือนกันมัน ผลของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่กับผู้ให้ถ้าอยากจะได้มากก็ทําให้มากให้ให้มากๆอยู่ที่มากน้อยไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนรับแต่สิ่งนี้คนรับจะให้เรานี้มันก็มันก็ต่างกันคนที่มีสมาธิเขาก็จะสอนสมาธิให้เราได้คนที่มีปัญญาก็จะสอนเรื่องปัญญาให้เราได้อันนี้จะได้ไม่ใช่ได้จากการทําทานได้จากการไปพบปะท่านและได้คุยกับท่าน อ่าแล้วความเร็วความไวของการทําบุญเกี่ยวไหมคะว่าจะได้ผลรวดเร็วแล้วก็จะได้ผลช้าเนื่องจากมีความล่าช้าในการทําบุญอย่างนี้เกี่ยวข้องไหมคะก็ะบุญบางอย่างมันเร็วบางอย่างมันช้าไงทําทานนี่มันเร็วพอทำปุ๊บมันก็ได้บุญแล้วมีความสุขแล้วแต่ถ้ารักษาศีนี่ยังไม่รู้ว่าได้บุญหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้เจอข้อสอบถ้าเจอข้อสอบอยากจะไปขโมยเงินของคนอื่นแล้วเปลี่ยนใจแล้วใจสงบไะ ใจเบาใจหายใจเย็ยนสบายอันนี้ก็แสดงว่าได้บุญนะนี่มันนั่นต้องมีข้อสอบบางอย่างต้องมีข้อสอบก่อนถึงจะรู้ส่วนการทําทานนี้มันมีข้อสอบก็คือเสียสละความตนหนีไปพอสละความตนหนีไปความสุกใจก็เกิดขึ้นมาให้บุญแต่ละอย่างมันช้าเร็วต่างกันนั่งสมาธิบางทีเป็นสิบปียังไม่ได้บุญเลยจิตยังไม่สงบเลย เป็นการเหมือนกับปลูกต้นไม้ระยะยาวปลูกต้นต้นต้นไม้ยืนต้นต้องใช้เวลาหลายปีถ้าปลูกพวกดอกไม้นี่ปลูกแค่สองสองสามอาทิตย์มันก็มันก็เอาเอาเอานัา้นมัเ น, น้นบุญแต่ละอย่างมันต่างกันขอบคุณเชียวค่ะมีคำถามจากคุณสุทาชินีนะคะ ขอหลวงพ่อว่าเมตตาสอนการรู้สึกตัวในชใีวิตประจําวันหน่อยค่ะเดินให้รู้ว่าเดินต้องรู้สึกตัวอย่างไรคะก็รู้ว่าเรากําลังเดินไม่ใช่เดินไปเราเรคิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่กับเรื่องเดินเพียงอย่างเดียวถ้าอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ําอย่างเดียวถ้ารับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารเป็นอย่างอย่างเดียวอย่ารับประทานไปคิดถึงเรื่องงานนึกคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงวันพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ อ น, นี้แสดงว่าไม่มีสติอยู่กับตัวการมีสติต้องอยู่กับเรื่องที่เราทำอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวคุณวทิษาค่ะบุญที่เกิดจากการให้ทานแต่ละชนิดมีผลเหมือนกันไหมคะเช่นการใส่บาตรให้อาหารการถวายอัฐบริคารและเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆหรือผลบุญขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเสียสละคะมากน้อยก็อยู่ที่เราเสียสละไหม เสียมากก็จะได้บุญมากความรู้สึกจะสุขมากขึ้นให้น้อยก็ความรู้สึกที่มันสุขมันก็น้อยลงไปตามลำดับจากคุณวัธิสารนะคะการยึดมรานาุสติเป็นอารมณ์คือการนึกคำว่าตายตายตายตลอดเวลาอย่างเดียวใช่ไหมคะก็นึกว่าเราต้องตายก็ได้ไม่ใช่ตายตายอย่างเดียว มองเห็นใครก็บอกตายหมดไม่ใช่ตายเราตายคนเดียวความตายนี่มันมีอยู่ทุกคนทุกทแห่งทุกคนเห็นรถเสียก็รถก็ตายได้เหมือนกันอันนี้ก็ตายแล้วแต่เราจะไปกําหนดว่ามันตายกับอะไรตายกับร่างกายตายกับรถยนต์ตายกับทรัพย์สมบัติตายกับอะไรต่างๆมีแต่ตายทั้งนั้นถ้ามองคิดถึงความตายมองไปที่ไหนก็มีแต่ความตาย ยังแต่โดยหลังเราก็จะคิดถึงด้านร่างกายเราเป็นเป็นตัวสําคัญให้เรารู้ว่าเราต้องตายเมื่อรู้ว่าเราต้องตายแล้วความรลภมันก็จะน้อยลงไปไม่รู้จะเอาไปทํำไมหามาแทบเป็นทแทบตายเดี๋ยวมันต้องให้คนอื่นเข้าไปมั้งโง่รู้ฉลาดนะคนฉลาดต้องไม่มีทิ้งอะไรให้ใครเลยถึงจะฉลาดถ้าหามาแทบเป็นแทบตายแล้กวก็ต้องไปทิ้งให้คนอื่นนี่เรียกว่าโง่ ดูพระพุทธเจ้าท่านตายแบบไม่มีอะไรทิ้งไว้ในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองท่านสละราชสมบัติตั้งแต่วันออกบวชแล้วท่านไม่เอาละหมดแล้วเหรอหมดล้ค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด